ทันประโยคารวิจรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องมหานรกขุมใหญ่จัดว่าเป็นขุมพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมราชาเชษทรงตรัสว่าเป็นนรกที่มีความร้ายแรงมากซึ่งมีนามว่าเวจีมหานรก ความจริงใ น, นรกขุมนี้รู้สึกว่าอยากคุนโหวพวกเราอยู่มากทัานนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าทร <c oughs> งเคยตรัสทิ้งท่าเทวทัตซึ่งต้องมาถวายทุกเวทนาอย่างหาสาหัสอยู่ในเวจีมหานรกจัดว่าเป็นนรกขุมใหญ่ที่มีความร้ายแรงมากที่สุด ร้อนมากที่สุดแกแสเปลวไฟในโรกนี้ไม่มีเป็นไฟที่มีสีละเอียดมาก <c oughs> สาหรับความร้อนแรงของไฟถ้าเราไม่ทราบว่าไฟประเภทไหนมันจะร้อนมากร้อนน้อยก็ลองพิสูจน์ดูสมัยก่อนนี้เขาใช้เรือเครื่องเผาหัวเวลาที่เขาเผาตอนแรกก็แปลว่าไฟมีเปลว แต่พอร่อนจะจัดตัวหาเปลวไม่ได้แ้วสำหรับไฟแนวเวจีมหานรกนี้มันละเอิดมากมเกินมองไปแล้วคล้ายๆว่าจะพบกับแสงสว่างเฉยๆไม่มีสภาพของไฟปรากฏแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมองไปดูสัตว์นรกทั้งหมดเราก็ไม่เห็นเนื้อเจนไดกระดูกแดงฉานเหมือนกับว่า เหล็กที่ถูกเผาไฟาจนแดงซี่แสดงถึงการร้อนแรงของสัตว์นรกในในขุมนี้เป็นอันว่าเวจีมหานรกจัดเป็นนรกขุมใหญ่พิเศษและก็มีความร้อนแรงพิเศษท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าเป็นอาจารังสมัยที่แปรนองแปรบาลีอยู่ยังเป็นนักเรียนสมัยนั้น เคยแปลว่าท่านบอกว่านรกอเวจีมหานรกมีความร้อนแดงมากมีโทษทุกข์ทรมานหนักแต่ว่าหากายเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เริ่มชักสงสัยว่าทำไมนาะในเมื่อมีความทุกข์ทรมานมากมันก็ต้องดิ่งในเมื่อปลายกฎตามพระบาลีต่อมาท่านกล่าวว่าไม่มีทางจะดินเพราะมีห อ, อกตรึงหมด สำหรับหอกที่มันตรึงอยู่ทั้งหกทิศเราะว่าในขุมนรกหนึ่งหนึ่งจะเป็นเหมือนห้องเหล็กมีบานปิดทั้งหมดสี่ด้านแล้วก็มีพื้นข้างล่างเป็นเหล็กมีพื้นข้างบนเป็นเหล็กหอกจะเสีบออกมาจากฝาทั้งสี่ด้านทั้งด้านล่างและด้านบน พุ่งออกมาทางซ้ายทะลุไปติดฝาทาั้งฝาโนนแล้วก็ดำก็ติดอยู่ทั้งฝาข้งซ้ายยานี้เป็นตนตรึงหมดจงก็ทั้งไม่สามารถจะหวันไหวเคลื่อนไหวกายได้ยินได้ทราบชัดว่านารกคุมใหญ่คุมนี้เป็นคุมที่มีความทรมานที่สุดสาหรับท่านที่เจริญพระกรรมฐานและกำลังฝึกมโนมยิธิ ตอนนี้ต้องระมัดระวังให้มากท่านเองสามารถจะไปท่องเที่ยวสวรรค์ได้ท่องเที่ยวนรกได้และก็จงอย่าคิดว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้พิเศษแล้วสามารถจะพ้นกรรมชั่วที่ตัวทำไว้และก็หนีจากนรกไปสู่สวรรค์บ้างสู่ปรมารกบ้าง ถ้าความลืมตัวอย่างนี้ปรากฏแกท่านมา่อไรเพราท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่ากรรมใหญ่สมบัติที่มีความสำคัญในเมืองนรกคือเวจีมหานรกจะมาถึงท่านทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าดูตัวอย่างพระทิวทัต มบวชเข้ามาในสมัยที่องค์สมเด็จพระทรง์สวัติิสภาคยังรงพระชนอยู่สมเด็จพระบรมครูก็แนะนำสั่งสอนให้ระเทวทัตเจริญกรรมฐานคำว่ากรรมฐานนี่รวมทั้งสมถะและวิปนะัสสนาแต่ด้วว่าท่นทนานพระเทวทัตได้ชาญโลกีและทรงอภินญา ส, าส ม, มาบัติ อภิญญาสมาบัตในความจริงมโนมยิทธิที่ท่านฝึกกันก็เรียกว่าอภิญยาเล็กสาหรับอภิญญ า, า, ญญามโนมยิฐิเราเรียกว่าอัญญาเล็กที่ว่าไปในสถานที่ต่างๆได้แต่เพียงอธิสัมมากายที่เราเรียกกัว่ากายในกายแต่สําหรับอภิญญาที่ว่าเทวทัตส่งนั้นแปลอภิ น, น ญ, ญาใหญ่ คือสามารถจะนิรมิตอะไรก็ได้หเหาะเหินเดินอากาศก็ได้จะไปนรกไปสวรรค์ก็ได้อาศัยที่วระเทวทัตมีจิตเป็นผ่านมีสันดานหยาบมีบาปจยเป็นอารมณ์เมื่อทำตนอย่างนี้ได้ก็มีความกำเริบคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษอยากจะปกครองสงฆ์แทนองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิงขออนุญาตองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าปกครองสงแทนโดยอ้างว่าภาระากิจของพระพุทธเจ้ามีมากยากในลำบากในการปกครองจะขอปกครองสงแทนนี่น้ำใจของพระเทวทัตก็มีความกำลังเลิบเรื่มตัวความจริงพระนี่ขไม่ได้ถือศักดิ์ศรีอย่างอื่นเป็นสำคัญ ถืออาการบรรลุมักคผลส่วนใหญ่เป็นสําคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาระสาริบทิเวอคาส า, าวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกว่าอาติอาศิติมหาสาวกอีกแปดสิบ ก, ก็ยังอยู่ที่มีความสําคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้พิญญาส ม, มาบัติวิชาสามอีกมากสิเวอหันนับไม่ได้ แต่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเนิบเสบสารอยาจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระพูท ม, มีพระผาเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วร์สำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทน o n ตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบ ร, ะโรมโลกเกตก็ลองคิดดู ว่าความเลวเของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตที่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นชานโลกีแล้วก็ไปในพิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมาก ยังไม่สามารถจะทำตัวให้คนนรกได้สาหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคยอด้านปิญญาสมาบัติไม่เท่าปเทวทัตขอทุกท่านจงจวดดูดูตัวอย่างแบบฉบับปเทวทัตไ้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไรจะลงนรกแบบนี้เหมือนกันไม่ไหมไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงแทนผม หมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปถ้าเทวทัตจาเริ่แบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูตรยังส่งนางทรงนายขมังท่านนูไปยิงพระพุทธเจ้าบางัง ทรงช้านาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจา้าบังกลิ่งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทําสังกเกตเห็นได้ยังว่าคนที่ได้พิญญาสมาบั ต, ตยังไม่ใด้ผู้ริเสตยังตกอยู่ในอํานาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านนางหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู จงเราะมัดระวังจิตเราฝึกระกมฐ า, านได้นิดนิดหน่อยหน่อยที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆิดหน่อยหน่อยันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษมาไห่ก็ลงนรกแบบปฏิโยทัศน์เหมือนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์ทับัติเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ ยอมในรับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแท่านท่านสัปพสาบรีีนี่ฟังยาก <c oughs> เป็นอันว่าจำไม่ก็เลยกันว่านรกในเวจีนี่มันหนักลม่เกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัดขัดกล่าวต่อไปว่ามากล่าวถึงเชอตาความชีวิตความเป็นอยู่เราสัตว์ในเวจีมหานรกนี้ ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างประมาณนดรับทุกเจงอย่างแสนสาหัสสุจพนามีภาษาบลีนะต่อว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดแลดูหน่ากลัวสยดสยองได้เห็นเป็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรง โชตนาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอัน ร, อนอร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เหนียงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเป็นเลยและสัตว์ที่ไปเกิดบัติเกิดในมหานรกกวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุ ม, มอื่นทั้งหมดแอบอัดแ ย, ดยกแยกเปรียบเสีย ก, กันเราก็ว่าสวยทุ ก, กโทษในมหานรกคุมนี้แตกต่างกันไปหลายดิยาบท หลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกในอิธิยาบทยืนเคยเดินทาํทบาบาปไว้ก็ต้องสวยทุกทนทุกเวทนาอยู่ในอิธิยาบทเดินเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็ต้องสวยทุก์ในท่านนั่งและท่า น, นอน รวมความมาเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็สวยทุกเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังํำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังนี่ผมมือแปรมาใหม่ๆเขาก็ลำบากใจมนิดว่าเรื่องอะไรจาต้องไปทำท่าสวยทุกเวทนาแบบนั้นไปเดี๋ยวคืรู้แปรบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมด ถ้าพบของจริงเข้าจริงญาสติแล้วกล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่ า, าถึงอายุไขคาว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกลับท่านที่ลงนรกขุมนี้ต้องสวยผลเวลาหนึ่งกลับจริงจะพ้นนี่ก็ท่านว่า ย, ยัางไงต่อไป ข้อตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้เอ่อท่านว่าอย่างงี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยการปลายขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกทั้งใหญ่ขุมใหญ่ป่ายขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไหมความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุมหนึ่ง เป็นโลกหนึ่งหนึ่งก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆใน <c oughs> ความเห็นของผมว่านรกขุมหนึ่งหนึ่งมันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบันดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทิ เ, เวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุมหนึ่งหนึ่งแล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลก เราจะเห็นว่ามนุษยโลกในเล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุมหนึ่งของนรกนี่ต้กล่าวต่อไปว่าแต่ละขมนอกจากอเวจีมานรกนอกจากนารกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีกสี่ขุมยีสีท่ทิศทิศแล้วสี่ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็นสิบหกขุมด้วยกันนรกบริวาร น, นี้มีชื่อต่างๆกัน สำหรับนรกมริวานจะเก็บไปพูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงเวจีมหานรกม่ทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี้ขอท่านน่าไหลจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผม ถ้ ว, ว่าพระเยถามวัฒนธรระของใครก็อตอบว่าช่างเถอะจะไม่บอกเป็นอาวาท่านพูดทรงอภิญญาตด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันเป็นกล่าวถึงนรกคุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทําบาป ก, ก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้น เป็นอันุว่าถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งเขาก็าบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทําไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สําคัญสําคัญเดินเดินสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่อย่าลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในข่า ตัวอย่างทิชไปเทวทัตที่ทํากรรมกระองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนที่แสดงท่าความใหญ่โตเพื่อหนึ่งขอปกครองสงฆ์เสเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเก็คนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองไปเทวทัตมีคําสั่ง ให้หนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคําสั่งให้ปล่อยช่างนาลาคิรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สีพระเทวทัตกริง้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืน เรนั้นการยืนของมัทวติภัทจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหกทิศขยับเขยืขย้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้งหกด้านทั้ด้านหน้าด้านหลังข้าขงทั้สองพุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึง้นข้างบนก็พุ่งขึง้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉาญก็ร้อนจะดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้ว อันนี้เป็นลักษณะของมัทิติวาทัศนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเว้นอาการที่คิดอย่างมัทิติวาทัศเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดกำเริกคิดการเลื่อมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลาย ถ้าวัยจิตของท่านหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของปเทวทัติท่านก็ต้องไปอยู่กับปเทวทัติอย่างนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจินนสีจะให้บรรดาท่านหลายฝึกจิตในด้านอนุสติตนดีในกรรมฐานสี่สิบเรือมหาสติประธานสูตรทื่ตั้งอยู่ในโพมีฐารสี่อยู่ในจารณะสิบห้าอิทธิบาทสี่อย่างนี้เป็นต้น อีกของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์ในรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าการของสัตว์ในรกที่สวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจา้าโตตกนรกทั้งเป็นก็คือหนึ่งพระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้วสองจินตมานวีกา กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนได้ค่าเจ้ารางวันจากบรรดาพวกเดือดถีทั้งหลายแกล้งโจรโทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทําให้เือท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายัางเทศอยู่ยเดือดถีเอาไม้ท่อนจันกลึงด้านหนึ่งแบนด้งหนึ่งหลูนคล้ายคลายคนท้องทําเชี่ยวสายรัดผูกวไว้ในท้อง เธอนุ่งผ้าธุมาการเป็นคนมีคันมาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพกรวันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวนเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธ อ, อทำให้ฉันท้องฉันใสเวลานี้ใคเยจะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจู่ไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับสิ่งคลอด มันโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จรปชินาสีก็หยุดเทศนิดหนึง่งแล้วกล่าวว่าพระกินน้ดูกระนองหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็สวยบอกไห้ถูกชาวบ้านจะเห็นด้วย แต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอิน์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ้าเบกัดสายเชือกขาดอบไม้ท่อนกันที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาว บ, บ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดจิงที่จินดมานวีกาเธอก้าวขาวิว่งแท้งกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหวแยกเ็นนางตกลงไปแนเวจีมาหานรก อย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุภาพุทธะที่เป็นลวงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของบรร น, นางพิมพาโปรดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปลอยลูกสาวให้เป็นหม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมใจจะสเสด็จไปเป็นธม บ, บัตไปเจ้าสุภาพุทธะ ยังไดชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียงเจ็ดวันสุ ป, ปาพุ้ธทก็ถูกตรณนีสูขให้ลงเวจีมหารกนี่เรียกว่าตกมารกทั้งเป็นสมัยนั้นมีอกท่านเดียกันสำหรับท่านอบนวันนาเทรี ก็มีนันธมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านใ น, นสมัยเป็นยังไม่บวชเวลาท่นกลับจากบินทบาิก็ เ, เขา้าวหามปลุกปล่ำธรรมานาจาย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูขเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นภาษารีบุทสาวกโอ ง, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าวนโรทัสมาบัต เธอเหาะข้ามไม่ได้กลับเราก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะภาษาลิบทแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็ภาษาริบทไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกตนีสูบไปเปรนนั้นว่ากรรมใหญ่ที่แป็นอนันตเรียกกรรมต้องลงอเวจีมหามนรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันจัดว่าเป็นอนันตเรียกรรม จัดเป็นกรรมใหญ่แต่ทว่าองค์สมเด็จพระจอมไตกรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาชินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความวาการฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านดนการเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้อระมัระวังให้ดี แต่ด้วว่าจิตของเรานี้เป็นจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงที่กลับอะไรกลับและแกงประเภทนี้ไซเราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินมม่อร่อย ต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้เสมอๆ อ, อารมณ์ทรงตัว mm hmm. เขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปๆเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายและลงอเวจีมหานรก mm hmm. หากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาว บ, บ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไร ก็ต้องตอว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี่ยง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักควันบรมาสารสันดาล ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้ว แล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระปรมทิพยแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศเขาว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่ ม, มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกริงเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปจริงตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระมณะดูก่อนพราม์แปลว่าอาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้ นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ส่งเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดปีไหนอาหารนั้นไม่เป็นโทษร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญธาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โนนเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจีประสมกระราเคือเอาเอาเอ า, เอ า, เอาแป้งก ร, ระรรมสมกัน เอาน้ำใสให้หนิยวปิ้งเป็นเป็นจีห่อชายพกไปเไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาา่าเจ้าจะฉันและจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญ องสมเด็จพระผู้มีพระาพาเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนทปูพาสังตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเป็นไว้ตอาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่านั่นก็นแล้วกันอาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน คุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องรนรกเรีือว่าเวจีมหานรกเวลาก็หมดเส็แล้วขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิทีแล้ว จงไปตรว ด, ดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นนิตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดาลสัมมาสัมพุทธเจา้าสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอยุติก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี